เราก็อยู่กันมาพอสมควรควันหนึ่งเนาะเต็มๆหนึ่งวันเต็มๆบางคนก็เริ่มที่จะปรับตัวที่จะย้อนใจกลับมาไว้ที่ที่กายที่ลมหายใจได้ดีขึ้นแต่แน่นอนแหละบางทีสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่คาดไว้มันก็ อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ช่างมันเราทําได้เท่าไหร่เราก็ยินดีพอใจแค่เราว่าตั้งใจทาให้มันดีสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจนี่แหละจะดีก็ทาจะไม่ ด, ดีเราก็ทําขี้เกียจเราก็ทําขยันเราก็ทาทําให้มันสม่ำเสมอถ้าเราทําสม่าเสมอได้ดีมาก ขี้เกียจราก็สามารถที่จะอดทนฝืนต่อความขี้เกียจแล้วก็มาปฏิบัติได้ในตอนที่ขยันก็ไม่ต้องนับมันถ้าขยันมันมีแก่ใจมาทําอยู่แล้วก็ทำให้มันสมองเสมอขี้เกียจเราก็ทำขยันเราก็ทำว่างเราก็ทำไม่ว่างก็ทำ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ทำได้ตลอดเวลาเรามีสติระลึกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งเราย้อนใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจได้อันนั้นก็ดีเป็นการหยอดกระปุกสติเอาไว้เป็นทุนมันก็จะได้เปลี่ยนจากความหลงความเผลอกลายมาเป็นสติ กลายมาเป็นสัมมาสติคนเรามันมีกิเลสยึดครองหัวใจมานานตกอยู่ภายใต้โลภะโทสะโมหะระคาอยู่ตลอดเราก็ต้องอาศัยความอดทนความขยันหมั่นเพียรที่จะพาตนเองพาใจตนเองให้มันหลุดพ้นออกจากอำนาจของกิเลส ซึ่งโดยมากเนี่ยมันก็มาจากความหลงนั่นแหละหลงไปคิดเผลอไปคิดหลงไปในอารมณ์ต่างๆทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายชอบใจไม่ชอบใจซึ่งกันที่เราเปลี่ยนความหลงความเผลอให้กลายเป็นสติกลับมาที่ลมหายใจได้ มันก็เหมือนตาช่างสองฝั่งนะ่ะฝั่งหนึ่งความหลงฝั่งหนึ่งสติเราก็ค่อยๆหยอดมันหยอดมันไอฝั่งสติอะ่ะหยอดไปเรื่อยเรืยถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอาตาช่างมันก็ต้องเริ่มที่จะบาลานซ์ขึ้นนั่นแหละถ้ามันบาลานซ์ขึ้นเนี่ ย, น เ, นยเราก็จะค่อยๆเห็นพัฒนาการหน่อยหนึ่งว่าเออ เวลาที่เรามีสติอยู่กับตัวเองบ่อยๆ เ, เห็นใจตัวเองบ่อยๆมันเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่เราเท่าทันใจเราดีขึ้นเรามีพัฒนาการในความคิดเรามีพัฒนาการในความรู้สึกของเราอย่างไรบ้างกำลังใจเราเข้มแข็งขึ้นได้ จากการที่เรามีสติคอยเห็นว่าเออมันเป็นของไม่ดีหรอกอย่าไปทําเลยกระบวนการต่างๆสีลเราก็จะดีขึ้นเวลาที่เราเปลี่ยนความหลงมาเป็นสติให้ได้อยู่บ่อยๆเนืองๆ เ, เรื่อยๆมันก็จะทําให้เป็นเหตุปัจจัยที่เราสังสมเอาไว้ที่เราจะมาทำความสงบได้ดีทำความสงบตอนที่เป็นอิจจลักษณะเวลาว่าง เราก็จะทำได้ดีหรือแม้แต่ในระหว่างวันเราก็จะมีสติที่คอยคุ้มครองใจเราอยู่ในเวลาที่เรามีสติระหว่างวันเราก็พยายามที่จะรักษาอารมณ์ใจเราเนี่แหละให้ไม่หวั่นไหวไปตามเสียงตามสิ่งที่ดูตามสิ่งที่คิดพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ใจมันก็จะวุ่นวายน้อยลงวุ่นวี่วุ่นวายน้อยลงแล้วยังไงก่อนตอนที่มันวุ่นวายน้อยลงมันต้องดีไงเราก็สบายอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แต่ถ้าใจมันไม่สบายอยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่สบายไปอยู่บนยอดเขาก็ไม่สบาย มาอยู่กลางทะเลก็ไม่สบายอยู่กับคนรักก็ไม่สบายซึ่งการที่เรามีสติที่มันคอยเท่าทันจิตใจเราเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าใจเรามีเกราะคุ้มครองอยู่ด้วยใจที่มีสติคอยคุ้มครองอยู่ใจที่ได้ติดเกราะเอาไว้ มันก็จะคอยช่วยคัดกรองอารมณ์ให้เราไปในตัวนอกจากจะเป็นกรอบคุ้มครองใจแล้วก็เป็นเครื่องกรองอารมณ์เข้ามาในใจด้วยเวลาที่เราไม่ได้มีการฝึกหัดสติฝึกหัดใจ ตามธรรมชาติของใจมันก็รับหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็รับหมดแต่พอเราได้มาฝึกหัดแล้วเนี่ยเรามีเครื่องอยู่อีกอันหนึ่งขึ้นมาใหม่คือลมหายใจหรือพุทโธซึ่งทีนี้เราเลือกได้แล้วว่าไออารมณ์ที่มันกำลังเข้ามากระทบจิตใจเราอยู่ เราควรจะพัฒนามันต่อไหมหรือเราไม่ควรไปใส่ใจมันเออย่างคนที่เข้ามาด่าเราอย่างนี้เป็นตน้นเราเกิดความขัดเคืองขึ้นมาในใจปุ๊บด้วยธรรมชาติของใจที่เราฝึกดีเนี่ยมันก็กระตุกใจมันโดนกระตุกขึ้นมาแล้วโอ้มันมีความขัดเคืองเกิดขึ้นสติมันทํางานแล้วเห็นใจแล้ว แล้วเราทำยังไงเราก็เลือกได้ไนี่ว่าเราจะปล่อยให้ความขัดเคืองอันนั้นมีผลกับใจเราต่อไปไหมมีผลกับใจมีผลกับความคิดที่จะคอยเติมเชื้อไฟให้มันต่อไปแต่ั้นที่เรามาฝึกแบบนี้นี่เราเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนในหัวใจอยู่แล้วว่ามันไม่ดีความวุ่นวายต่างๆความเร่าร้อนต่างๆแบบนี้มันไม่ดี พอมันไม่ดีเราก็ยกใจย้ายใจของเราจากอารมณ์เหล่านั้นมาไวท้ที่เครื่องอยู่ที่มันดีกว่าก็คือลมหายใจหรือคําบริกรรมพุทโธนี่แหละเพราะว่าการที่เรามีเครื่องอยู่คือลมหายใจที่เราฝึกแบบนี้นี่เราก็เห็นผลอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ทําให้ใจเราเร่าร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองแต่กลับกันยิ่งเราอยู่ได้ดีเท่าไหร่ ใจเรายิ่งเยือกเย็นผ่องใสไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่ขุดหัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีศักยภาพในการที่เราจะคัดกรองอารมณ์เข้ามาในใจของเราเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทำงานคู่กันระหว่างสติกับความเห็นความเห็นชอบที่มันถูกต้องว่า อะไรควรอะไรไม่ควรและเราควรจะวางใจเราตรงไหนเพราะฉะนั้นพอเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เป็นการคัดกรองความวุ่นวายในชีวิตออกไปได้เยอะแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นทั้งในฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายเสื่อมว่าอะไรมันจะเป็นเหตุที่ เราทำแล้วใจเราร้อนร้อนมากขึ้นเอายกตัวอย่างอย่างเช่นคนปฏิบัติธรรมก็ต้องมีศีลเป็นพื้นศีลคือความปกติความปกติของใจห้าอย่างของคารว่าไม่ใช่ของครวะหรอกของสัตว์โลกเนี่ย ถ้าเกิดมีความผิดปกติห้าอย่างนี้แล้วเนี่ยชื่อว่าใจยังไม่ปกติห้าอย่างที่ว่าคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์การเอาของที่คนอื่นเขาไม่ได้ให้มาเป็นเจ้าของหรือลักขโมยนะแล้วก็การผิดใจคู่ครองของเรามีคู่ก็นอกใจไ ม, มีหลายคนอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็การที่เราปวดปวดมดเทศแล้วก็ดึงเครื่องดองของเมาซึ่งมันเป็นเหตุให้เราขาดสติซึ่งความผิดปกติห้าอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราลองทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งที่มันยังไม่ได้รับการรักษาให้ดี เรื่องวุ่นวายจากข้อนั้นๆมันก็มาคอยรบกวนจิตใจเราแม้กระทั่งรบกวนทางภายนอกด้วยนะมันก็ล้นเข้ามาในจิตใจคอยกวนใจเราด้วยยังไม่ต้อง อ, อะไรมากเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใหม่ใช่ไหศัพท์ใหม่ของคนที่รักษาสิ่งข้อสามได้ไม่ดีเ ข, เขาใช้คำว่าอะไรนะโลกไปที่สอง มันก็พูอง่ายๆมันก็คือเป็นชู้นั่นแหละโลกใบที่สองที่สามที่สี่อะไรก็แล้วแต่มันก็คือการที่เรานอกใจคู่ครองของเราเนี่ยเลยแล้วมันเป็นยังไงมันก็วุ่นวายเดี๋ยวนี้คนเราชอบเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นอาหารให้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตามติดชีวิตคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเต้ไปหมดแล้วคนเราเวลาที่ มันมีเรื่องของคนอื่นส่วนมากไอ้เรื่องดีๆเราไม่ค่อยสนใจเราสนใจแต่เรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นพอเขาทำเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนี่ด้เวลาแล้วด้เวลาที่จะเหยียบย่าซ้ำเติมกันดี๋ยวนี้เขาก็เป็นกันแบบนี้ซึ่งเวลาที่เรา่างศัพที่เ็าเรียกว่ามีโลกใบที่สองใบที่สามอะไรก็แล้วแต่ มันก็ชีให้เห็นถึงว่าชีวิตมันก็วุ่นวายนะต้องคอยลำบากที่จะปกปิดความจริงกับคู่ของเราแค่ทำเรื่องแค่นี้มันก็ไม่ได้ เ, เรื่องเป็นเรื่องสนุกนะไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมันมีความสุขหรอกแต่เพียงแต่ว่าด้วยความชาญฉลาดของกิเลสมันก็ให้เราเห็นผิดสำคัญผิด โดยการให้ค่าให้ความสำคัญกับอารมณ์เล็กน้อยอย่างเช่นการที่เราได้ไปอยู่กับโลกใบที่สอ ง, สองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าโอ้มีความสุขดีแต่ไอเวลาที่เหลือนี่เราต้องคอยมาแก้ต่างแก้ตัวคอยโกหกมันมีความสุขหรือเปล่า 2-3 ชั่วโมงที่เรารู้สึกว่าเราได้อารมณ์ที่น่าพอใจกับสิ่งที่ต้องเสียไปทั้งครอบครัวความไว้ใจทั้งโอ้เยอะแยะสารพัดสา ร, พสสรพเพอพอเราต้องคอยโกโหกเนี่ยคำพูดเรามันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนักความเชื่อถือในคำพูดที่เราจะพูดไปก็ไม่มีน้ำหนักเสียตั้งหลายหลายอย่าง แลชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงแต่พี่เหว่ากิเลสมันก็ล่อหลอกไปโอ้ไม่เป็นไรหรอกพอทนได้ความทุกข์แบบนี้ขอแค่เราได้ความสุขต ร, ตรงนั้นมาเรายอมแลกแต่ถ้าเราลองคิดดูว่าท่นที่เรารักษาศีลให้มันดีออย่างเช่นข้อสามเนี่ยเราไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยเรามั่นคงในคู่ครองของเรา กลับมาบ้างมันก็ครอบครัวอบอุ่นมีเวลาว่างแล้วก็ใช้ด้วยกันความวุ่นวี่วุ่นวายที่ว่าจะต้องคอยปกปิดคอยหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไปหาอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาในชีวิตชีวิตมันก็เบาสบายแต่กิเลสมันก็ยังว่าวนะนะ มันก็ต้องทำให้คนลงต่ำมากๆทำให้คนเห็นผิดเป็นชอบเยอะๆเป็นชอบเพราะมันอยากกักขังคนให้อยู่ในวัตฏะวนานี้ไม่อยากให้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเล็ดลอดออกไปจากวัตฏะวนานี้มันก็ไม่ได้ง่าย ที่เราจะพาตนเองให้หลุดพน้นออกจากสังสารวัตรอันนี้แต่ถ้าจะให้ให้คิดให้ดีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาทองอ่ะเป็นโกลเด้นพียรีเอนของของสังสารวัตรนีนะ้เพราะอะไรเป็นเป็นช่วงเวลาที่ มีพระพุธาติอุบัติขึ้นมีธรรมะที่ทรงแสดงแจกแจงไว้ดีแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นแนวทางที่จะได้พาผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องกันนะได้ดำเนินไปให้มันสุดปลายทางเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ก็ดีหรือสาวกอรหันของพระองค์ก็ดีได้ดำเนินถึงไป มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าธรรมะนี้ดีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ได้แต่พระองค์เดียวก็ไม่ใช่พระองค์ก็พิสูจน์ให้ให้เห็นอยู่แล้วว่าธรรมะมันเป็นสาธารณะไม่ใช่แต่เฉพาะของพระองค์พระองค์เดียวใครที่ได้นำธรรมที่พระองค์แสดงแจกแจงไว้ดีแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รู้ตามเห็นตามแล้วก็ได้รับผลเฉกเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ทร ง, งได้รับเหมือนกันซึ่งเหล่าสาวกอรหันต่างๆก็เป็นคนพิสูจน์อยู่แล้วก็มีตั้งเยอะแยะมากมายนะอย่างในสมัยนี้อธิครูบาอาจารย์ต่างๆล้วก็เห็นว่ากระดูกคนธรรมดาโอ้มันก็เปลี่ยนเป็นพระธาตุก็ได้ มันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอยู่พอสมควรแต่จริงๆตรงนั้นเราก็ไม่ได้เอาไปเป็นสาระหรอกว่ากระดูกมันจะเป็นพระาธาตุหรือไม่เป็นพระาธาตุนะสาระสำคัญอยู่ตรงที่จิตใจตัางหากจิตใจที่เราไม่ไม่มีความทุกข์ที่มันมาย่ำยีจิตใจเราได้อีกอันนี้คือสาระสำคัญซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามนี้ได้ เราก็จะเป็นผู้ที่มุ่งบนเส้นทางที่จะไปสู่ความค้นทุกทีนี้คนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็จะเห็นคุณค่าเนี่ยของการที่เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันเป็นปกติปกติในที่นี้คือมีปกติคือศีลมีศีลห้าเป็นปกติ ดังนั้นการที่เราจะมีความสุขในชีวิตได้ดีมีความทุกข์ในชีวิตลดลงความวุ่นวายในชีวิตลดลงการที่เรามีศีลเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยช่วยลดเรื่องวุ่นวายภายนอกลงไปได้เยอะซึ่งไม่ต้องแจกแจงมากก็ได้ทุกท่านก็มีประสบการณ์กันดีอยู่แล้วหละว่า การที่สีมันบกร่องมันก็มีเรื่องราวต่างๆวุ่นวา ย, ยถ้ามันมีเรื่องวุ่นวายภายนอกมันก็ลดทลักมาเป็นความกังวลในใจเวลาที่มันมีความกังวลใจแล้วเราจะทำความสงบใจมันมันก็ลำบากยากขึ้นไปซึ่งการที่เราลดทอนความวุ่นวาย จากภายนอกโดยการที่เรามีศีลที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ไดเ้เราก็รักษาจิตใจได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสเต็ปสเต็บน่นแหละซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ในโอวาทปาติโมสูตรนะในตอนท้ายท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าสี่แลบปริภาวิตโตสมาธิมหโลโคติมหนิสังโซ ก็หมายความว่าสมาธิที่ศีลปบรมดีแล้วมีผลมากซึ่งก็เหมือนที่บอกไปนั่นแหละว่าเวลาที่มันลดเรื่องวุ่นวายจากภายนอกลงไปความสงบใจอารมณ์เราจะตั้งมั่นมันก็ทำได้ดีสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโคติมหานิสั่งซา ปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วก็มีผลมากปัญญาในที่นี้มันก็มีตั้งหลายอย่างหลายแบบหลายระดับใช่ไหมสุตตะมยะปัญญาปัญญาที่มันได้จากการฟังจินตามิยะปัญญาปัญญาที่ได้จากการคิดภาวนามยะปัญญาปัญญาที่ได้จากการเจริญภาวนามันก็เป็นหลา ย, ลายรูปแบบ ในที่สำคัญเนี่ยมันก็จะชี้ตรงที่ว่าอันที่เรามีใจที่มันสงบลงไปเนี่ยเราก็จะได้รู้ได้เห็นสภาวะจริงๆของใจสภาวะที่กิเลสมันยั่วยุจิตใจของเราเป็นยังไงความอยากมันคอยกระตุ้นจิตใจของเราเป็นยังไงลักษณะอาการมันเป็นแบบไหนพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ความรู้มันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนรู้เท่าทันมันก็ต้องเกิดขึ้นปัญญามันก็ถ้าเราเข้าใจคําศัพท์มันสิหน่อยเราก็จะอาจจะไม่ได้ติดกับภาพลักษณ์ในความหมายของสมัยใหม่โดยถ่ายเดียวอย่างปัญญามันดีในในสมัยนี้ เราก็อาจจะใช้นิยามค่อนข้างไปกับคําว่าฉลาดจะมากคนฉลาดคนมีปัญญาซึ่งคํานี้มันจริงๆแล้วมันคนละความหมายในตัวสัตว์ดั้งเดิมนะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คําว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาเราใช้ในนิยามของคนฉลาดจะมากกว่าแต่คนฉลาดกับคนที่มีปัญญาเนะี่ยจริงๆก็ ยังมีความต่างกันอยู่อย่างคนฉลาดถ้าตามนิยามเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุลงไปว่าฉลาดหรือเก่งหรือดีในทางด้านดีโดยถ่ยเดียวอาจจะเก่งอาจจะดีในทางไม่ดีก็ได้แต่คนมีปัญญายาธาตุในความรู้รู้มีปะ บทหน้าก็กลายเป็นปัญญาปากก็แปลว่าทั่วรู้ทั่วรู้ทันรู้ทั่วพอรู้ทั่วทั่วก็จึงเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นโดยเฉพาะรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุก์อะไรเป็นความดับของทุกอะไรเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอันนี้ ถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เนี่ยใช้คำว่าปัญญาเนี่ยมันจะตรงมากเพราะว่าเรารู้ทั่วทั่วแล้วทั่วเลยทั่วถึงว่ามันมีอะไรบ้างที่เรานิยามตรงกันแล้วเนี่ยว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่ว่าเห็นความทุกข์เป็นความสุขแล้วก็ไม่ได้เห็นผิดว่าความสุขเป็นความทุกข์ ความสุขเป็นความทุกข์ทำไมถึงเห็นแบบนั้นได้ก็ไม่ต้องอะไรมากก็เหมือนเรามานั่งสมาธินี่แหละมาฝึกมาหัดนี่แหละจริงๆแล้วทำแล้วมันเป็นเรื่องดีไงพอทาไปทำไ ป, ำไปอาจจะบางคนบางคนเบือ่อบางคนเซง็งโดยเฉพาะอย่างเด็กๆเล็กๆนีอาจจะสมาธิสั้นทำไปก็อาจจะยังไม่ได้ รับรู้ถึงความสงบของจิตใจก็อาจจะเบื่อไม่รู้ทำไปทำไมมันก็เลยอาจจะเห็นว่าของดีเป็นของไม่ดีก็ได้แบบนี้เป็นตน้นพอพูดถึงว่าให้มาเข้าสมาธิให้เข้าวัดก็อาจจะแบบอ๋ไม่เอาดีกว่าไปทำไมก็ไม่รู้น่าเบื่อนั่งเฉย ไม่เห็นสนุกเลยแต่เวลาที่เราได้ฝึกหักจริงจั ง, จงเห็นผลจริงจังแล้วเนี่ยความรู้รู้อย่างทั่วถึงเนี่ยว่าอะไรเป็นทุกข์เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็รู้จริงจังนะว่าเอออันนี้มันเป็นเหตุเกิดทุกข์นะ แล้วอะไรบ้างที่เราเข้าใจผิดมาแต่เก่าก่อนเราต้องมาปรับจูนความคิดความเห็นใหม่แต่อันนี้พูดไปมันก็ถ้าเปลี่ยนเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบแล้วล่ะก็อย่างที่บอกช่วงแรกเลยว่าเรามีหน้าที่ที่จะหาแก่นนี้มันเจอ จากกิง่งจากก้านจากใบนี่แหละแล้วก็ค่อย ๆ, ๆสาวไปสาวลงไปฟังไปฟังไปธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้จะไปจารึกที่ตรงไหนนะไม่เไ ป, เปจารึกอยู่หินซอกไหนภูเขาภูเขาลูกไหนแต่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงออกมามันออกมาจากจิตใจนี่หละในสภาวะจิตใจที่มัน ได้ถึงแล้วซึ่งความหลุดพ้นใจเป็นไทยจากกิเลสแล้วท่านก็นำเส้นทางมาแสดงเพราะเส้นทางทางเดินเนี่ยมันเดินยังไงบ้างกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาฟังเราก็ฟังเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะคลําหาเส้นทางไปให้มันเจอว่า จุดตรงไหนที่พระพุทธเจ้าเป็นสภาวะที่ท่านแสดงธรรมตรงนั้นออกมาเพราะฉะนั้นฟังไปฟังไปจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันแต่ถ้าฟังแล้วจําได้มันก็เป็นสมบัติของเราแต่ที่สำคัญมากกว่าจําได้ก็คือการที่เรามีความสงบรู้จักความสงบ รู้จักทําความสงบเป็นแล้วตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราฟังธรรมแล้วเราลึกซึ้งเราแจ่มแจ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือที่เหล่าสาวกครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงออกมามันก็ออกมาจากจุดเดียวกันตัวนี้เวลาเราฟังซึ่งฟังไปแล้วเรา ได้ทบทวนได้รู้จักถึงความสงบยิ่งสงบละเอียดเท่าทานกิเลสละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งฟังคราของครูบาอาจารย์ที่แสดงออกมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยโอ้ใช่ตรงนี้ตรงนี้เราก็เคยผ่านมาโอ้ตรงนี้มันจริงๆใช่เหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าพอมันใช่มันจริงเอา้า มันลากไปสู่จุดตรงนี้นี่เองจุดตรงนี้ต่อมตรงนี้ที่ท่านแสดงก็เพื่อจะพาเรามาจุดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมก็พยายามสาวเข้าไปให้มันเจอเก่นไม่ได้ซึ่ง แต่ละองค์แต่ละองค์ก็มีวิธีแสดงแจกแจงไม่เหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ฟังเทศของพระที่ท่านต้องเทศทุกวันทุกวันน่ะพระดังๆท่านก็ต้องเทศทุกวันมันมีหน้าที่ต่างกันอันนั้นเขามีหน้าที่หากิ่งหาใบามาเทศเทศแต่แก่นไม่นกอเทศเรื่องเดียวทุกวันทุกวันคนฟังก็เบื่อ เพราะฉะนั้นหน้าที่คนเทศที่ต้องเทศทุกวันทุกวันเขาก็ต้องพยายามแสดงให้มันพิสดารหากิ่งนั้นหาใบนั้นเอามาโชว์แต่ส่วนคนฟังเราไม่ได้มีหน้าที่เอากิ่งเอาใบเรามีหน้าที่กิ่งนั้นใบตรงนั้นมันมาจากลำต้นตรงไหนกิ่งใหญ่อยู่ตรงไหน อิงใหญ่มันพาไปตูดลำต้นตรงไหนแล้วมันก็ไปจบอยู่ที่แก่นมันอยู่ตรงไหนถ้าฟังแล้วเราทำได้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราฟังธรรมะมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเราแต่ถ้าฟังแล้วเพียงแต่จำอุบายของท่านได้อันนี้ยังยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด แต่้าประโยชน์สูงสุดคือท่านก็จะชี้เราเห็นนั่นแหละว่ากิเลสหน้าตามันเป็นอย่างนี้สภาวะในจิตใจมันอยู่ในใจเรามันจะเป็นแบบนี้แต่ที่เราจินตนาการบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับสภาวะจริงก็ได้หยกตัวอย่างมันคนที่ไม่เคยไปวัดบวรสมมติ ก็บัญญายไปอ่านในวัดบวรมียังไงอมีโบสถ์นในโบสถ์มีพระชินสีนะอนมีพระประธานสององค์ข้างหลังพระชินสีก็เป็นพระสุวรรณคีปองใหญ่กว่าเยอะเลยะตั้งกันเหลืองๆกันนิดนึงแต่บางคนเข้าไปอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟข้างหลังก็อาจจะเห็นแต่พระชินสีองค์เดียวก็ได้ น, นี่ก็บรรยายไปคนไม่เคยไปก็จินตนาการไป แต่พอได้มีโอกาสไปถึงที่วัดสักครั้งหนึ่งความแจ่มแจ้งมันจะต่างกันลิบลับจากการที่เราฟังแล้ว เ, เราเข้าใจฟังเข้าใจกับเจอของจริงแล้วมันเข้าใจความแจ่มแจ้งมันต่างกันมากมากๆเรามีหน้าที่ที่จะทำให้ความจริงความแจ่มแจ้งปรากฏที่ใจ เอาสภาวะของจริงน่หละไม่ใช่ในสภาวะในตำราหรือในสภาวะที่เราจินตนาการไว้แต่พยายามทำเฝาดูเฝารู้เวลาที่มันใช่เนี่ยเทแล้วมันใช่สภาวะของเรามันไม่สงสัยอย่างสมัยก่อนไปภาวนาใหม่ๆที่วัดดอนไปภาวนาก็ มันก็เออคําว่าสมาธิเป็นยังไงนาะแบบนี้เลยเปล่าแบบนั้นเลยเปล่าใช่ไหมแ้กทั้งที่ว่าท่านก็ว่าก็ทําเป็นอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วแต่พอมันอ๋อขึ้นในใจมันก็หายสงสัยมันไม่ได้อ๋อตอนหลับตานี่ยแหละอ๋อตอนลืมตานี่ยแหละกว า, าดวาตาดไปกวาดตาไปแล้วก็อ๋อนี่แหละสภาวะของความ ที่เป็นสมาธิในจิตมันเป็นอย่างนี้สภาวะที่ตาเราก็เห็นทางกวาดอยู่ไม้กวาดล้วก็กวาดอยู่ว่าแต่ใจเราเป็นสมาธิเนาะใจเรามันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใจเรามีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นตั้งเที่ยงอยู่เพราะนั้นมันก็ไม่ไม่สงสัยว่าความเป็นสมาธิคืออะไร มันอ๋ อ, อยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราทำทำไปเนี่ยของจริงมันปรากฏขึ้นแจ่มแจ้งที่ใจเราก็มันก็คลายสงสัยไปเองซึ่งเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้มันถูกอยู่เรื่อยๆทำถูกตามแบบตามฉบับอ่ะคือเรามีสติที่ลมหายใจดีไหม จริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เอาลมหายใจนะเราไม่ได้อยากได้ลมหายใจแต่เราเพียงแต่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะผูกสติของเราเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้จริงจังก็คือสติสติที่มันจำชัดรู้ชัดความรู้สึกตัวสติเครื่องะระลึกคือใจนี่แหละ ที่มันมาอยู่ชัมพ่อหน้ารักษาใจเราก็รักษาตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าลมหายใจก็ดีคำบริกรรมพุทโธก็ดีก็เป็นเครื่องเครื่องมือที่เราจะจับ ความรู้สึกของใจให้ได้แต่เราไม่ได้อยากได้ตัวคำบริกรรมเราไม่ได้อยากได้ตัวลมหายใจสิ่งที่เราอยากได้คือสติสติที่มันมาผูกเอาไว้ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราทำไปแล้วใจมันยั ง, ง, ง, ง, งเสื่องๆเซื่อๆเนยๆขี้เกียจ แล้วก็มาดูร่างกายเราเนี่ยดูไป เ, เห็นเป็นโครงกระดูกนั่งไปก็ได้หรือเราจะดูว่าข้างในเรามันมีอวัยวะภายในเป็นยังไงมีปอดมีไส้ใหญ่ไส้น้อย ม, ม, มีม้ามมีไตอะไรอย่างก็ดูไปดูไปสักพักหนึ่งเราก็ย้อนกลับมาที่ความสงบ มาสงบสักพักนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณาแบบนี้เลยทำสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้